เรื่องถือวิสาสะชั้นของเคี้ยวหนึ่งเรื่องหนึ่งร้สมัยนั้นภิกษุสองรูปเป็นเพื่อนกันภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กาลังแจกของขบเขี้ยวแกสงภิกษุรูปที่เป็นเพื่อนรับเอาส่วนแบ่งของเพื่อนไปแล้วถือวิสาสะชั้นส่วนแบ่งของภิกษุนั้นท่านรู้เรื่องเข้า